ต่อจากนี้แล้วการเกิดดับมันจะเกิดขึ้นดัอะรันอาการกระดับอาการเกิดดับพอได้บยรดปั๊บอาการกระดับเกวก็ดับแล้วก็หมดเลยหม่เราไปเข้าดักที่หลวงพ่อรู้เรื่องนี้คือหลวพ่อไม่เคยรู้อย่างเราดูคนชิดดูมันไม่ยึดมไหลเข้าไวเข้ามันชิดเราผ่านไปมันไม่ยึดผ่านแล้วก็มันท really? ่วงขาดไปเหมือนกับ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 เนี่ยเืองหนึ่งคือปวาตายเสียหัตายตายแต่เนี่ยมีลมหายใจนั่นคือคาพูดจนะเรื่องการปฏิบัติเราตัวเองเพราะตอนที่เราฟังการบนบัวกันตรงนี้นเนี่ยคน ท, ทุกข์ยังไม่มีคนสุขยัไม่มี ท, ทุกข์ไม่ ม, ม, มีสุขไม่มีนิพพานอย่างที่เราอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยนิพพานเนียแต่เราไม่เคยดูใจเรามัเป็อย่างไงไม่เคยดูก็สบายก็สบายอยู่ตรงมันไม่ได้เบิ่เข้ามาในตัวนี้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 เรื่องอื่นนะั่นเป็นคําสอนของคนอื่นสอนมาแต่พระเจ้าสอนจุดนี้นะ่ะแต่ท่านว่าเรื่องอื่นท่านมาโนนจุดนี้เพราะทุกคนมนจะมานี่ท่นว่ามันไม่มีทางไปคือทุกคนต้องตายนี่แต่ว่าอย่าให้มันมีทุกท่านไม่ใช่ะะว่าทุกบัญชีการทุกเดี๋ยวนี้นี่นะอย่างที่เขาพูดให้ฟังยังไงจะพันล้านกับนะทุู้ไม่เจนน้อยอยอืม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 คำพูดในหลักของพุทธศาล้วพูดคำเดียวในน้นมันกินกุ้งไป ม, มากือนถ้าคนมีปัญญาแล้วฟังน้อยเือนอกถ้าคนไม่มีปัญญาแล้วฟังมากฟังมา ก, มากมถ้าพวกเราคือยังไงธรรม ญ, ญาติสบายแต่คนที่รู้คนที่ไม่รู้กญยากคน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 มันเห็นใจเ่านลึกมันไม่มีอื่นไก่ในคำว่าพระอย่างที่เราบอกพระเป็นผู้สอนคนเท่านั้นเองเขาทําผิดแล้วก็สอนเขาเขจะเอาก็เอาไม่เอากขาแล้วไปถ้าเขาไม่เอาบังคับยัดเยียดเขาไม่ได้อีกแล้วเขาไม่เอานี่จะทำยังไงขันธ์ท่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องไปสอนพปฏิวัตได้สิก็ต้องอยู่ร่วมกันไปอย่างนั้นจะนั่งทําผิดไปเรื่อยๆคนสอนก็สอนไปเ่อยๆก็ต้องสอนไปเรื่อยๆปฏ่ว่ายัดเยียดไปได้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 ถ้าคุณทำนั่นไม่ผิดนะบอกเท่านั้นเองแล้วคุณจะทำกันได้เรื่องของคุณคนทำไปมีติดกับคุณปฏิบัติปฏิกรรุ่งคุณทาผิดกับคุณเลยรับโทษเองพระเทวทัตพระพุทธเจ้าบว่าวไปเห็อย่างนั้นพระุทธเจ้าไม่ได้สอนพระเทวทัตจะเห็นเองพระเทวทัตก็จบดงพระพระเทวทัตเองคู้กรรมกรรมนระดับผิดคุเอง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 เพราะว่าท่านกังทำอย่างนั้นมันผิดดีการทำนี้นนนมันถูกต้องเท่า น, นั้นเอเธอจะเลือกเอาอย่างไรเรื่องเมเดอวิ่งไหลไม่ได้แต่นมฆเมแเราเขาไม่ทำเลยไม่ได้คุณไม่ทำอย่างนี้นจะเอาผิดทำไมได้เขาเขาโอ้ยหลวพไม่ได้เรียนหนังสือทางโลกมาการถ้าได้เรียนหนังสือทางโลกมกกันอย่างที่เขาเคยพูดกันเอาไว้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 ทำไมไดไม้ออกกฎหมายให้ฆ่าลูกสัลย์ไม่ได้ออกกฎหมายฆ่าลูกคุณบอกว่าออกกฎหมายไม่ให้คนทำผิดนี่เพราะงั้นมันให้ลูกสมน้ำน้ำทิศนะไดไ้ออกกฎหมายหรือเปล่าเทียงกันไปกันมาแต่ไม่ม้ลงร้อยตรนนีะ้ไม่ใค่บอกออกกฎหมายของใครพระอะไรไปรเทศด่ดวกันคระัวเดียวผู้สอนไม่ได้ฆ่าพระเลยเทียงกันอย่างสองคนผู้พิสูจน์อะไร ค, ไคนออกกฎหมายหนึ่งคนเลยใครเป็นคนออกกฎหมายมัมเนเรียกว่าใคร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 จะจับใจคนรักตั้งเนี่ยคือวตัวเองค่าตัวเองจะไปหาว่าคนอื่นฆ่าตัวเองทําทำชั่วในนองจะวัดตัดสินว่าอย่างที่พูดเรยกหรือว่าคนเียตัดสินซื้อให้พระเทวทัาเทวทัทำอยางนี้ต้องรับผลวันนี้นางคนนี้ก็ไม่สอนลูกเลยลูกมัก็ทําเลยนะกนางคนนี้สร้างคนไม้เขาทําเขา่าเขาเพราะเขาทผิดคนอื่นจะได้ค่าคนอื่นเขาก่าทังโลกไปนั้นฆ่าคนได้ ในคำพูดขอ ง, องพ่อแม่ปุญาต์ารได้คเคยเล่าให้ฟัง